ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญาณได้นำเสนอประวัติของเจ้าชายจิตตธรรหรือทต่เราเรียกว่าประโพธิสัตว์มาตามดักวันนี้ก็จะพูดถึงช่วงที่ในพอบเทวทูตที่จริงก็มีสี่นะค แต่ว่าเป็นการพบบาลีท่านบอกว่าเป็นการพบคราวละวันเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจะ ก, การเสด็จเที่ยวชมบ้านชมเมืองแบบเป็นการส่วนพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นเรื่องประหลาดแล้วก็ไม่ได้แสดงการหวาดกลัวหรือังเกียดแต่ประการใด เข้าไปจับต้องคือหนังสือที่มาจากบางสายนะฮะเช่นว่าสายมายานหรือว่าสายของกรังโดยเฉพาะอย่างประเทแผ่งทวีปเอเชียซึ่งเรียบเรียงโดยท่านเซอร์สวินอานนท์โดยแสดงภาพถึงคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยคนแก่แก่มากๆแก่จนถึงกับเรียววง Cyr ม้นๆ เ, เลย แล้วก็เจ็บก็เจ็บค่อนข้างจะสาหัสสากันแล้วเป็นโรคฝีดาษนะฮะโรคที่ติดต่อด้วยแล้วก็ตายก็ตายอย่างทุกทรมานก็ดิ้นไปด้วยแล้วก็ตายไปต่อหน้าต่อตาก็พนาเห็นเป็นภาพที่กระแทกกระทันใ จ, ใจิตใจเรานี้เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าในแง่ของธรรมะจริงๆเนี่ย คนแก่เนี่ยเพราะมันมีความแก่จึงทำให้ท่านต้องกลายเป็นคนแก่ใ้ตัวสภาวธรรมจริงๆที่นำมาศึกษานั้นพระเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าคนนะใช้คำว่าความเป็นการแสดงถึงสภาวะลักษณะของสิ่งนั้นว่า ความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นทุกข์แต่ว่าตัวทุกข์จริงๆมันมีอยู่สามก็เรียกสภาวะทุกข์นี่มีอยู่แค่สามแต่นั้นเองคือเกิดแก่ตายแต่นอกจากนั้นมันก็เป็นทุกข์ที่จรกเข้ามาคือเราจะหาเรื่องให้เราทุกข์มันก็ทุกข์นะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจหรือว่ารู้เท่าทันมัน แล้วก็ไม่ทุกข์กับมันทต่อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะว่าชาวโลกเนี่ยจริงก็หลงโลกมันเริ่มมาจากหลงตัวเองนะหลงหลงตัวเองมาเรื่อยๆในสุดก็หลงในโลกชาวโลกจึงแปลว่าสัตว์สัตว์ที่แปลว่าข้อง คือผู้คล้องผู้ติดอยู่ในอารมณ์ของโลกทั้งหลายเพรา ะ, ะนั้นเจ้าจึงมีพระพุทธธรรมระัสอีกบทหนึ่งที่สะท้อนภาพลักษของโลกมนไพเระเหมือนกันว่าสูเจ้าทั้งหลายจึงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรสที่พวกคนเขาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล้องอยู่ไม่แล้วก็แสดงว่าโลกนี้ ทั้งโลกที่เป็นที่อยู่ของหมูสัตว์และโลกคือหมูสัตว์เองในขณะเดียวกันโลกคือหน่วยย่อยที่ประกอบขึ้นมาให้เป็นคนเป็นสัตว์เพราะเราจะเห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่ต้องแตกทำลายไปเป็นธรรมดาสิงนั้นก็เรียกว่าโลก บางครั้งเราพูดถึงขันทั้งโลกคือขันห้าเนี่ก็เป็นโลกธาตุโลกคือดินน้ำน้ำไฟเนี่ยก็เป็นโลกอายตนาโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมเป็นโลกแต่ละโลกเพราะอะไรเพราะว่าตัวเขาเองจะต้องแตกทำลายไปทีนี้คนอยู่ในโลกมันก็มีอยู่สองประเภทโดยองค์รวมนะฮะถ้าองค์ย่อยเราก็นับได้เยอะเลยขุอหนึ่งก็คือรู้ สองก็คือไม่รู้ไม่รู้เห็นตามความจริงของโลกพอไม่รู้มันก็มีปัญหาจึงลงใช้คำว่าที่พวกคนเคขาข้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ข้องอยู่เราลองดูตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันอย่างเช่นปัญหายาบ้าปัญหาโรคเอดเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นปัญหา คือคนมีวุฒิภาวะมีความคิดมีเหตุผลมีสติปัญญาสักหน่อยแล้วเรื่องมันไม่ค่อยสลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรเนี่ยนะคือมาเองเป็นเด็กบ้านนอกแล้วการศึกษาก็ต่ำนะเราก็เด็กปอสี่แต่ว่าความคิดตั้งแต่เราเป็นเด็กๆมาเราก็ต่อต้านเรื่องที่จับลูกคลักลูกปลาต่างๆมากิน ลูกครอกปลาลูกครอกก็เรียกปลาลูกครอกมากินหรือ ว, ว่าปลามีไข่เนี่ยเราก็รู้สึกต่อต้านตลอดการตัดขน้นต้นไม้มาปลูกมันสำปะหลังมาปลูกไอ้ถั่วลิสงอะไรตัวไหนเนี่ยหรือบางทีก็ถูกผู้ใหญ่จะเตะเอ า, าอเราเอฟมันทาทําไมเราไม่เข้าใจว่าทําทําอะไรเพราะว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ย เราค้นลงมาเนี่ยถ้าเราไปใช้ประโยชน์เนี่ยหรือแม้แต่ว่าเลื่อยขออนุมัติราชการแล้วก็ไปเลื่อยขายเนี่ยมันก็ได้มากกว่าปลูกถั่วลิสงตั้งเป็นร่ยแล้วแล้วต้นไม้จะนใหย่อยโตโตมาเป็นไม่รู้สักี่สิบ ป, ปีนะฮะมาเผาแล้วก็ปลูกถั่วลิสงดูมันสับไปหลัง นีความคิดเหล่านี้ที่จริงมันก็น่าจะคิดได้นะเพราะว่านึกดูที่ใจตัวเองเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีการศึกษาสูงอะไรในสมัยที่ก่อนจะบวชมาเนี่ยแต่เราก็คิดเป็ น, น่ะเรื่องอย่างนั้นเราก็ขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยู่เรื่อยจะขัดคอก็เรียกว่าเออไม่น่าจะกินนะไข่ปลาเนี่ยจะเราปล่อยเข้าโตสักครึ่งปีหนึ่ง มันก็คงจะเลี้ยงผลโลกได้เยอะก็เราคิดจากพื้นฐานจิตสานึกธรรมดาเราไม่ได้อ่านหนังสือทั้งหาอะไรหรอกแต่เราคิดโดยเหตุโดยผลเพราะสิ่งเหล่านี้มันมันก็เราลองดูว่าที่เจ้าชาติธฐาท่านเห็นเนี่ยมันก็เป็นภาพธรรมดาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นำมาคิดต่อท่านั้นเอง พอเจ้าชาตริษฐ์ท่านหินเนี่ยท่านมองหมุนเป็นวงกลมไปเลยกลายเป็นวงกลมแล้วเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเอ๊ะมันหาทางออกไม่ได้มันเกิดหมุนเลืนไหลมาเป็นระบบสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดผีไม่จะดับที่ไหนล่ะแล้วทําทยังไงจะดับได้ มันเป็นการมองในสิ่งเหล่านั้นถึงลักษณะถึงคุณถึงโทษแล้วถึงทางออกจากโทษเนี่ยเพื่อเข้าไปสู่คุณเนี่ยมันทํำยังไงเพราะวกนี้มาค่อมติดมันก็ยังมีโทษแล้วมันไม่ใช่ไปมองเฉพอะเท่านั้นนะนะเรามองลึกขึ้นไปกวนั้นเองคือมันเพิ่มกิเลสได้หลายชั้นเลยเโลกมันไม่มีอะไรสวยงามแต่เรามองเป็นสวยงาม สวยงามจนถึงกระยื๊อแย่งกันและยังยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าย้อนอนดีตไปในไกลในยุคของบัตรปรชนของพระองค์นั่นแหละก็เราจะเห็นว่าเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันแล้วก็ตายกันเยอะมาเลยมันเพราะอะไรเพราะมองสิ่งไม่สวยงามมาเป็นของสวยงาม เราแซดดาวนางสีดาก็คือศพเป็นพระรามก็คือศพเป็นพจัดการก็คือศพเป็นพอถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นศพคือตายหมดใจมันก็ค่องเดี๋ยวเราก็เห็นกันอยู่เนี่ยมันก็เห็นในลนักษณะที่นกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ําไส้เดือนไม่เห็นดิน ท, ทั้งท่านที่อยู่นี่ การความคิดเหล่านี้พอมาถึงระดับหนึ่งเราเรียกว่าวิปัสสนาครับเพื่อการมองโลกให้ชัดเจนแจ่มแจ้งตามที่มันเป็นท่านก็บอกว่าเป็นความเห็นที่วิปลาสเป็นความคิดคิดก่อนนะคิดที่วิปลาสไม่ใช่จําก่อนจําที่วิปลาสคิดที่วิปลาสเห็นที่วิปลาสคือความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งแล้วไปคิดไปจําไปจําไปคิดไปเห็นไปอีกอย่างหนึ่ง โลกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเราก็ไปคิดว่ามันสุขโลกมีความเลื่อนไหลไม่อยู่นิ่งเราก็คิดว่ามันเที่ยงแท้โลกไม่มีอะไรเป็นตัวตนแต่เราไปคิดว่ามันตัวตนในธรรมุเทศสี่ท่านได้แสดงถึงสภาวะความจริงของโลกเอาไว้มันก็ที่ยริงก็ผาดอย่างเนี้ยแต่วิธีสื่อของท่านเนี่ย ท่านบอกว่าโลกคือหมูสัตว์อัญชารานําเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนนั้นแสดงด้วยการเลื่อนไหลคือความเป็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยมันไหลตลอดระยะเวลาเลยแล้วไหลแบบย้อนกลับนะคือเรานึกถึงชีวิตของคนเฒ่าคนแก่ที่ท่านเวลาท่านหลงอนะนะเมือนก็เรียนใหม่อ่ะเหมือนกับเด็กแล้วก็พูดจากันลําบากด้วยนะเหมือนกับเด็ก นั่นคือสิ่งที่ที่ที่เห็นว่าชีวิตมันเหมือนกับวงกลมมันมุนกลับไปที่เดิมมาเคยตั้งข้อสังเกตให้คนเขาลองสังเกตแล้วเขาเขาก็เห็นด้วยนะเขาบอกว่าให้ลองนึกดูชีวิตมันคล้ายๆกับสะพานโค้งคือด้านหนึ่งมันก็ติดดินด้านหนึ่งก็ติดดินแต่มันก็โค้งไอ้ช่วงโค้งนั้นมันเชื่อมโยงกับดินแต่มันไม่ได้ติดดินแต่นั้นเอง เพรชีวิตของบุคคลมันก็ขึ้นไปจากความไม่รู้และจบลงด้วยความไม่รู้คือเกิดมาในจากความไร้เดียงสาคือไม่รู้แล้วก็พอแก่ลงไปก็ไม่รู้คือหลงลืมมันก็คือกันเรียกว่าเกิดจากดินแล้วก็ไปจบลงที่ดินเหมือนกับสะพานนะฮะตั้งต้นจากเชิงสะพ า, ด า, น, น, ด น, น, านด้านหนึ่งก็เป็นดินไปลงในสะพานในด้านหนึ่งก็คือเป็นดินเหมือนกัน แต่เราก็คิดได้นะฮะแต่ออกไปไม่ได้ของจะใช้ยสิทธาท่านก็คิดอย่างที่เราคิดนั่นแหละแต่ท่านคิดได้แล้วท่านมองหาทางออกให้ท่านคิดในที่สุดเนี่ยมันรูปแบบเนี่ยได้รูปแบบก่อนนะเราสังเกตว่ากา ร, ปรเปลี่ยนสมณะเนี่ยมันเป็นกา ร, ปรเปลี่ยนรูปแบบเราสอบถามวันนี้เป็นอะไรเพราะมันมันมันรู้สึกมันสงบ เลวอย่าลืมว่าภาพเหล่านี้มันมีแรงบัน ด, ดาลใจของพระองค์เองที่ตอนที่ไปอยู่ในอุทยานที่พระเจ้าสุโตธนะสร้างให้เนี่ยตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาเพราะท่านล่าบอกว่าชอบหลบไปอยู่ในสวนแล้วคุณคิดถึงธรรมะแล้วก็คาถาบริวาร น, นั่งอยู่ห่างๆนยะคือไม่กล้าเข้าไปรบกวนต้องการความสมบงบเพราะงั้นพอเห็นภาพของสมณะซึ่งมันสงบ เป็นรูปแบบที่โปรงเบามีลักษณะเหมือนนอกน้อยที่เหินดินไปด้วยปีกทั้งสองข้างเป็นภาพชีวิตทินที่ที่ระเริงใครทีเดียวนะฮะคือสนุกมากมาเคยพบคํากรอ น, นานมาแล้วแต่บ้นชอบมากคือว่าอ่านครั้งเดียวมันอยู่ที่ปกหลังปกกับหนังสือจําได้ว่าเป็นหนังสือที่ระลึกการรับปัญญาของ นักศึษามหาวิาทยาลัยรุ่นรุ่นแรกๆกันนะประมาณรุ่นที่สองนึกจะรุ่นที่สองก็ไปเจออยู่ที่ต่างจังหวัดมีพระเอาไปกเห็นเราเฉอก็เขียนเป็นนกน้อยที่เหินบินอยู่ตัวหนึง่งแล้วบอกว่าฉันจัดไม่ยินยอมให้เขาล้อมเขากรงขังถึงกรงสวนหนังก็บอบปราตะนาเลย ฉันชอบเป็นนักหนาอยู่ป่าตามสะเบย์เพราดเพลงเมื่อลมเชยและจะบินตะเวนไพรมันเป็นชีวิตที่อิสระเป็นชีวิตที่น่าสัมผัสมีความลึกซึ้งซึ่งเป็นความฝันแมาในชีวิตแบบนี้ชีวิตสมณะชีวิตบรรพชิตเนี่ยที่จริงเป็นชีวิตที่น่าเป็นให้ถึงแต่ว่า มันต้องอาศัยพื้นฐานวาสนาบา ร, รมีของคนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสภาพแวดล้อมที่เราดูเนี่ยมันต้องมีสวนเกื้อกูลวันก่อนอยังนึกถึงล้านชายนะเขาเอารี่ก่อนอายุเขาห้าสิบเจ็ดแล้วเขาก็ไปรับมาส่งที่เครื่องบินจากปัตตานีมาส่งที่หาดใหญ่ แล้วเขาก็สอบถามมานี่ท่านคิดจะทำงานจนตายไปเลยหรือว่าจะคิดยังไงไม่คิดพักพ ร, รอนเลยความจริงเมื่อก็คิดเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดหรอกแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยมันทำยากเพราะว่างานศาสนาเนี่ยซึ่งมันมีเรื่องเยอะที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็ไม่มีใครคิดจะทำ แต่เราก็ไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะไปสร้างไปเกณฑ์ให้คนเขาทำเพราะเราก็พยายามทำตามความสามารถที่เราจะทำได้นั่นเองเพราะงะั้นก็แทนที่จะไปกะเกษียณที่จริงก็กเกษียณในตำแหน่งรองอธิการบดีมาตั้งหลายปีแล้วนะครแล้วคืจริงเราก็ต้องทำงานหนักกว่าสมัยนั้นสิเกิดนกว่าเออก็ทาไปอย่างเงี้ย ันกว่าจะตายเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนี้มันมันน่าจะทำได้นะฮะแต่ว่าหาคนยากคือคนที่มีน้ำใจเสียสละจริงๆที่จะทุ่มเทกับงานระศาสนาจริงๆมีหายากอย่านึกชื่นชมยยคุณทําบิดกนันถูกภาพอ ร, รานามัยเขาไม่ดีนะฮะแต่ว่าทีมงานเขาดีถูกน้องเขาดี ช่วยเหลือแบ่งบอโพาระให้ได้ตังเยอะเราก็เล่นเองทางนั้นเลยเลยมันก็เหนื่อยแล้วก็หาคนช่วยได้ยากจริงๆฮะคือมันเป็นเรื่องที่อะไรล่ะก็คงสภาพแวดล้อมในอย่างหนึ่งนะแต่ว่าไปรล้อมก็มีส่วนอย่างหนึง่งตอนนั้นเจ้าชายจิตตถานเนี่ย ท่านมีพื้นภูมิหลังในตีแล้วตัวกระตุ้นเราจะเห็นชัดเจนนะฮะพอท่านมองว่าไอ้เกิดเนี่ยมันถ้ามองที่แก่ก่อนนะฮะไอ้แก่เนี้วก็เจ็บแล้วก็ตาเอไอ้ยไอ้เกิดไอ้แก่มาจากไหนก็มาจากเกิดแต่ตอนนั้นพระองค์ก็ยังราหุนกุ ม, มาณยังไม่ประสูตรนะฮะก็แสดงว่าเกิดเห็นทีหลังแต่เห็นแล้วก็เตรียมสละเลย เพราะว่ามองเห็นเป็นวงกลมที่หมุนแล้วในที่สุดมันก็เห็นภาพของของบรรพชิตเนี่ยว่าเป็นทางออกแต่ปัญหาว่าจะออกได้โดยวิธีใดหลักมันก็คิดคิดแนวตัวเนี้ามายัางมองว่าเป็นแนวหลักมากเลยที่จริงแนวธรรมชาติแต่ว่าเป็นแนวหลัก แล้วถ้าเราเอาความคิดในช่วงนี้ของพระโพธิสัตว์มาคิดต่อนะ่ะมันก็จะเห็นทุกๆเรื่องแหละเรื่องอะไรก็ตามมันคล้ายๆกับเป็นบล็อกสําเร็จรูปที่ขยายอัตราส่วนขึ้นไปก็นําไปคิดในดแต่ละเรื่องได้นะเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างของความคิดก็ทงคิดว่าเอเอไ อ, อ, อ้แก่เจ็บตายเนี่ยมันมาจากเกิดไอ้เกิดมาจากไหน เเกิดมาจากไหนก็หาคำตอบไม่ได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็โดยพื้นฐานสมมติฐานตรงนี้เป็นแบบที่ดีมากเลยกับลักษณะหมาบุรุษกับลักษณะของสามัญชนนี่จะต่างกันในกระบวนการของการทิศคิดการทําการพูดให้เราสังเกตคนอย่างหมาบุรุษนั้นจะต้องคิดแล้วพิสูจน์ในทฤษฎีที่ตนคิด สุดจนแน่นอนตรงลงลงตัวและจึงพูดพูดที่หลังนะพูดที่หลังวันมาก็เป็นยืนยันเึงสัจธรรมแต่ว่าคนทั่วไปเราสังเกตว่าอย่างนโยบายพวกนักการเมืองนักการเมืองอะไรมงนดีก็กขวัญเฉยๆแล้วโดยพื้นฐานนี่มันเป็นไปไม่ได้ เนี่ยอย่างบางทีที่พูดจ ะ, จะปเป็นอย่างจะทําอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงานย ง, งานังงน้งงนงเงินก็ทมอมมอมีเท่าไหร่ห้าสามหมื่นล้านสามหมื่นล้านเป็นค่าเงินเดือนประจำเท่าไหร่นะเป็นค่าซ่อม บ, บํารุงค่างบประมาณผูกพันธุอะไรต่างๆเท่าไหร่หเหลือไม่เท่าไหร่หรอกที่จะไปทํางานได้นี่มันเหลือสตางค์ไม่กี่ตังค์งหรอก แต่ว่ามันเป็นคมฝันแล้วก็พูดไปแล้วแล้วก็เป็นตุเป็นตะคือคนไม่นึกนะคนไม่นึกถ้าให้เป็นระบบอย่ารู้สึกจะเคยเล่าฟังนะที่ว่าอดีตต้นตีว่าการกระทรวงศึกษาของลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมา่าคือพูดเป็นนักการเมืองเสนอนักการเมืองพูดแทงก็เสนออย่างนั้นจะจะจะจะจะจมันเนะี่ยพูดมันเนะ่ยแต่ปัญหาว่าทํำยังไงอ่ะ แล้วเอาเงินมาจากไหนล่ะแดียวไหนคนล่ะมันเหมือนคิดเรื่องไซโลนะเราจะเห็นว่าไซโลเนี่เป็นมันสร้างแล้วนี่คนบริหารเนะี่จะเรื่องใหญ่นะตอนสร้างไม่แปลกหรอกแต่บริห า, จา ร, หารไมไมจัดการเนี่ยทำยังไงทําไมไม่โรงสีจริการเองเก็รับผิดชอบไปเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็รับผิดชอบไปแล้วก็เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเขา โดยไม่ต้องเอาเงินจังหวงขนาดนั้นไปลงทุนนะคือ ท, ทาอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะเลยโดยไส่โลก็เกิดแล้วก็มีไอ้ปริมาตรที่จะบรรจุเข้าเท่าที่เราต้องการนั่นแหละแต่ไห้พวกลงสีก็ทํากันเองแล้วอาจจะสนับสนุนเงินกู้ระยะย า, ยาวอะไรอะไรให้เขาเนี่ยเราไปทาแล้วก็จบเราก็จบแค่นั้นเงินก็กลับมาภาษีก็ได้ก็สบาย แล้วคนกคนของเราอะนะฮะก็ไม่อยากคนของมาจากนอกฟ้าไปไมาผ่านอะไรเพราะการงงเนี่ยความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอทงคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่พูดนะไม่พูดตลอดระยะเวลาเลยหกปีเนี่ยไม่พูดเลยคือคุยก็คุยนะฮะแต่หมายความมาพูดเรื่องที่ สนใจค้นคว้านี่เกิดมาจากไหนเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยก็เริ่มเริ่มมาจากความคิดโดยพื้นฐานสมมติฐานว่าในโลกนี้มีของที่เป็นปฏิปักษ์กันมีร้อนก็มีเย็นแก้ได้มีมืดก็มีสว่างแก้ได้มีทุกข์ก็มีสุขแก้ได้มีกลางคืนก็มีกลางวันแก้ได้เอ๊ะมันมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดแก้ได้สินี่คือประเด็น ทงเราจะเห็นว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการมองแบบธรรมชาติตรงนี้แล้วตรงนี้ถ้าเราไปเอากลับไปที่อื่นนะโยกไปที่ธรรมะก็ดีโยกไปที่การงานโยกไปที่การเรียนโยกไปที่อะไรก็ตามหนะมายความเมื่อสิ่งหนึ่งปรากฏใีสิ่งหนึ่งก็จะไม่ปรากฏสิ่งหนึ่งก็จะถูกทำลายไปนะเช่นเราไม่เคยประสบความสาเร็จ ด, ดูไปดูมเาเอพเราไม่เคยขยันเนะี่ยทำไมไม่เคยขยันนะเพราะขี้เกียจ ก็ขยันพอขยันแล้วมันทํำลายขี้เกียจได้เองฮเอ๊ะตรงนี้เราไม่ค่อยหนักแน่นไม่ค่อยมั่นคงเพราะอะไรเพราะไม่มีศรัทธาเราก็เพิ่มศรัทธาขึ้นไอ้ความว่างแง่งคลงแคลนไปในใจมันก็ไปเองแล้ตตตโตโวตลวโลนี่ไอ้มืดสว่างสุขทุกข์เย็นร้อนเนี่ยเป็นบล็อกสําเร็จรูปที่นําไปใช้กับเรื่องอะไรก็ได้ ในกระบวนการของความคิดเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมันอะไรที่เราต้องการอะไรไม่ต้องการมันก็มีคุณกับมีโทษก็แสดงว่าเราเข้าถึงสภาวะของสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าทํายังไงคุณจะออกขีดโทษได้ละ่ะคุณจะสัมผัสส่วนที่เป็นคุณได้อ่ะมันก็ต้องงองไปและในสุดมันก็ได้รูปแบบของความเป็นสมณะซึ่งเป็นเทวทูตประเภทที่สาม ไว้นี้มันน่าจะใช้รูปแบบตัวนี้ยจึงเปล่งอุทานขึน้นมาภาษาทุโขรปรปัชฉาบวชนี้ดีนักแหลเป็นข้อมูลที่ไรอย่าลืมมาคิดมารอบคอบและตัดสินใจเลือกซึ่งพอดีตัดสินใจถูกแล้วก็เลือกเลยถูกต้องฟังทนายแต่รูปบทพยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยปเวลาถึงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี